เป็นการทานของเขา เขนับถือว่าพวเราเป็นพระก็มาฐานนะ โอ้ All right. หากเราร <tra> ักษาจินยาราคาภายนอกอย่างใจภายนกก็เป็นไปโดยยากเราจะถือว่านิสัยของเราเป็นดย่งนั้นมันยังไม่ถูกเพราะเห็นใดเพราะกิเลสยังมีอยู่ในจิตในใจทั้งหมดกิเลสปัญหาสำลักสาสัรทุกอย่างทังหมดไปแล้วนิสัยเป็นนิสัยรวมเอาล้นี้อย่างกิเลส พระรถปัจจาระเบชาของพวกเราก็ดีบีดา น, านาันดาของพวกเราก็ดีท่าเราเคยเป็นเดชมา ก, ก่อนเคยทานจะเอาความที่เกียดขี่ฟ้านมากง่ายมันไม่ถูกตามทาคําสอนของพระพุทธเจ้าความมากง่ายความเกียจฟ้านมนฟ้ามากที่จะสำลักกิเลส ปัญหาในาหนาจที่จะทำการงานอะไรให้ลเลือนไปพพุทธเจ้าจึงมาสอนเกี่ยวกับนักพนักปฏิบัติให้มีเจตนามีความตรงใจทำอะไรโดยความอดทนโดยความขาดเพียนโดยความจริงใจมีสติประความรักษาตัวอยู่ทุกระยะทุกเวลาในใ ป่าละเลยความคู่ความธรรมหรือความคิดของตนคนที่มีจสติรักษาในปัญญาเนี่ยสอนตนคนนั้นไม่ว่าจะทําปางงานทั้งโลกหรือไม่ว่าจะปฏิบัติทางธรรมคนนั้นจะมีความเจริญนิ่งเงเฉพาะตนคนอื่นเห็นเข่าก็เรียงไส่ศรัทธาเพราะทำสิ่ใดเสวยงาน ทำกินดใดปลอบภัยไม่เสียหายหรือทำด้วยในสอนหยุดสอนใจสอนกายของคนอย่างนั้นเป็นเรื่องสมมุติสสางความมากหน้าความงโลความเสียหเสี ย, ยหายให้ตกออกไปจากกายใจใจใจพงศ์เรามาเบืยดมาปฏิบัติมาฝึกหัด อดรยมตัวละเชื่อมเชิงดีมาดับตายดาวาจาใจทั้งตนเข้าหาทำดาาาทาาาาได้ไหมไม่ใช่ว่าจะลากวิเหลตปัญหามาเป็นศาสตราสอใจจึงใดที่เป็นภัยอันตรา ย, ยสิ่งใดที่เป็นทางมากงายเสียหายเราจะแต่งรักษาไม่เหตุผลใหมีขึ้นมาในตายดาวใจได้ใจทั้งตน มือคือมือคือดดวขวดขวดนัดขวดฝนพื่ตะกิบมาอย่างนั้นเรื่องศาสนาหาเปนมือคือตัางหน้าต่างตาบำเพ็ญภาวนาในต่างหนาต่างตารักษาจิ ต, ติาตาาายาไมไาแล้วศาสนามันมีกฎหมายห้ามกั่นหรือบังคับบัญชาไอ้คนนับถือคนเบื่อใส ้วต้องถูกทำลายแยหายแยวัาไปนานๆแล้วมีผู้ตั้งหน้าตั้งตารักษาจิตวิญาณมารยาตายตายาจตลอดทิ้งใจประพฤติไปเกี่ยความสุขความเจริญจริงจังยงมีอยู่รู้ผลเกิดผลเป็นลายต่างๆในเรื่องของตัว ละชั่วเร็นลดับเป็นจิตใจได้รับความสงบเยือกเย็นดังนี้อยู่ในโลกผู้คนประชาชนประสบพบเห็นมีความเยือกเย็นทางตายทางใจพอเห็นท่านนั่งก็ดีเดินก็ดียืนก็ดีนอนก็ดี ฐานเดิมก็ดีมีสติหนาเรื่อใสมีใจมั่นคงไม่หละอแหลกหรือไหลเขาเห็นว่ามีความสุขเขากอสนใจอยากศึกษาอยากปฏิบัติเพราะปกติจุธิชนคนทั่วใจผลจีงใบที่ชอบใจ ยินดีเห็ือนจีนใดคือไม่ชอบใจยอมจำนนนี่มันเป็นธรรมดาไม่ชอบใจเลื่อมใสก็มีศรัทธาอยากต่างอ่านต่างปฏิบัติเนี่ยปฏิบัติปฏิบัติความสงบสงัดความสว่างสวาความเบาใจเ้าใจ จะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติของเขาเขาก็เชื่อก็เลื่อมใสวาสนาถึงจะผ่านมาระยะยาวนาถือทิ้งการเวลาแต่ก็ยังคงสมคงอย่าคือความสุขความสบายมรรคผลยังมีอยู่มาโดยเสียหายเปืนที่ ไปตามเวนตาของคนรู้ตามตางสมัยที่ผ่านไปผู้ตัง อ, อกตั้งใจไปพิจารณยังรู้เนเห็นชับในความสุขความสบายในอาตในธรรพระพุทธเจา้าทรงรู้ทรงเห็นทุกคนเมื่อตั้งหน้าปฏิบัติที่นจะไมาและเชื่อจนเปนดีจะต้องเห็นต้อเชื่เพราะศาสนาไม่ได้ผูกขาด อย่าชาตินั้นภาษานี้คนนั้นคนนี้จึงจะมีจิตประพฤติปฏิบัติถึงอาจพิชิทําได้คนนั้นประเภทนั้นชาตินั้นรัฐนั้นในฐาหนะที่จะประพฤติปฏิบัติแจึงอาจพิชิทําได้พระพุทธเจ้าโดยผูกขาดแบบนีน้ทุกคนขาตั้งจิดตั้งใจรประพฤติปฏิบัติ เอาใจใส่และเชื่อดังเงงเพน ด, ดีดินจังตั้งสติกันหมดจิตใจทั้งคนมีูสมนนนานเสมอพระพุทธเจ้ารับรองอย่าคนนั้นจะต้องมีความสุขความเจริญตั้หน้า ตุทธเจ้าสองสองด่านนะั้นทาเป็นอาจารยโกคือหน่ีกางมีสมัยจับจับตางจะเห็นทางใจของตัวเองเมื่อพุดปฏิบัติถังจึงรับรองผู้ประพูดปฏิบัติในสติปัฏฐานทั้งสี่ว่าจะมีสติเป็นสองอย่างนานที่สุดในเลยเจด จิวัก็เป็นไปได้เป็นหมาถึงผู้ปฏิบัติเอาใจใส่ฟัใส่ตั้งใจบำเพ็จรจังที่จะนาใจขนตนในิยกเวนเดี่ยวขางเรื่องอื่นที่จะาใจเดยความแยบาจให้เหนวาาสัตว์ใจไม่ใส่สัต ใส่บุคคลเนี่ยใส่เตียวเป็นเราขายเห็นประทัดอันนี้ผสมกันเข้าดินน้ำโยนไฟอากาศบินดางเท่านั้นไม่มีอะไรที่จะเป็นสัตว์เป็นบุคคลถามดยก็ได้ผลผลแล้วกันอยู่เป็นพนมุตเราเขาอยากให้เป็นผลเป็นขนเป็นเล็บเป็นฟันไหมมันมีเวลาตอบ แต่เาราก็ยึดถือเข้าใจว่าสิ่งเหลนะ่านั้นเป็นอย่างนั้นจริงจังเพราะขาดการคิททนะ ด, ดที่จะมาเพราะขาดปัญญาที่จะยันหรือสิ่ ง, งนั้นตามเป็นจริงของมันถ้าที่เจนมะาเอาไปใส่ต่้งใจกาหนดจริงจังมันเกิดก็เห็นเป็นความจริงอย่างพระพุทธเจ้ า, จาสิ ก้เข้าไม่ใช่เราไม่ใช่เขาไม่ใช่ศาสตร์ไม่ใช่บุคคลเป็นศาสตร์เรื่องกายั้งและตายอันนี้พอในมีจิตอาศัยก็ใน ม, มีอะไรที่จะผิแปลแตกต่างจากขอนน้ทถอนคืนจะไปขึ้นจี่ไหนขึ้นใส่ใส่ด้วยโจมนะ้ำกายานี้มันมีกลัวและมันมีรั กายเป็นธรรมชาติโคงตามในอย่างนี้แม้วก็แปลโยนไปตามถาดขค้งง่ายค่อยหลงกับกับกับุคคลใดๆหน้าที่เขาเป็นอย่างไรก็าเป็นไปตามธรรมชาติถาดขันของเขายี่คือการนดที่ไม้พิจรนาตายที่จะมาแยกทาเท่าไรใจจะยิ่นเหว่แจ้งใจจะยิ่งหนด เวทนาเป็นนิพพเราอยากจะพิจารณาเวทนาก็พิจารณาได้เพราะเวทนามันอาศัยกายอาศัยจิตพอมีแต่จิตเวทนาก็เกิดขึ้นได้นี่แต่กายเวทนาก็เกิดขึ้นได้เวทนาเป็นสิ่งที่อาศัยกากับจิตจสุขจทุกข์เฉย เป็นเรื่องของเวทนาไม่ใช่เหล่ยงอันอื่นมันอาศัยอยู่ในกายในจิตนี้แต่เราก็ไม่สร้าไม่เข้าใจที่ว่าเวทนาเป็นเราเราเป็นเวทนาเวทนามีในเราเรามีในเวทนาเพราะอํานาจของปัญญายังไงสามารถที่จะแยกแยกเหลี่ยงของเวทนาออกจากใจใจยังไง ภาว น, นแดัแบเหวี่งดับเบี้ยงดับน้ฉะนั้นเป็นเรื่องควรศึกษาควรพิจารณาแเรื่องเหล่านี้จะมีอยู่ทุกปานทุกเวลาเมื่อเราจะหนุ่มจะเยืนมจะเดิ้จะเห็น่ยไปที่ไหนเป็นธรรมใจจันทร์ใจใจของผู้ที่นี้พิจารณาถ้าเข้าใจรื่างเทนาจิงใจ สงสัยว่าเวทนาเป็นไรเราเป็นเวทนาใจนั้นตัเป็นอีกอย่างหนึ่งเอกเทศจากอาการหลงสุขก็ไม่ใส่ใจทุกข์ก็ไม่ใส่ใจเฉยๆก็ไม่ใสใจอะไรเป็นใจคนที่พีจารนาเข้าถึงจะมีทางสงสัยนี่คือการพิจารณาเวทนาใจเดือดเป็นตัว ทุกขเวทนาก็เกิดขึ้นมาไม่อยากอยากศึกษาไม่จัด๋ย่าพิจารณาเมื่อเพื่อกรณีท่าที่จะท่าจะพ้นจากเวทนาไปได้พอถือเวทนาเป็นเป็นเปเป็นเวทนาเกิดความเงสัยความไม่ปฏิบัติไม่อากทำเป็นอย่างนี้จิตกลมเงี้ยงังทำคิความเป็น จังหวะจิตก็ถูกจังหวะทั้งขาตก็ถูกจิตตาไม่ตัดชมาเลิกจิตในสติปัฏฐานที่ทำให้กำหนดรู้หมายถึงจิตสั้งขาทาราจิตเป็นเอ ก, เอกจิตเอตธรรมจริงใจแล้วไม่มีทางที่จะพิจารนาะไม่มีทางที่จะสงสั ยุดทีด่ยังเบียดเบียนเกยข้องกับความสงสัยความไม่จิดข้องต่างๆมีทางที่จะ ด, ดีงามได้บางชาวยินดีดาง้ายินดีดังางายินสบายบางชาเป็นทุกข์ไม่เป็นเพราะอะไรพี่จะมาให้เข้าใจชัดเจนไม่หลงจิด แต่พิยนาเรื่องของจิตพิยนาเรื่องของธรามคือความโห่ความฉลาดหรือความเ้าเจยข้งใจที่เกิดขึ้นเป็นขึ้นอยู่สนับสน้นไปสติปัญญาทั้งสี่หากคือเอาใจใส่พิยนาอันใดอันหนึ่งให้ใส่ใจชัดเจนจะวิ่งไปถึงทั้งหมดเพราะกายกับอันนี้จิต ก่ออันนี้โดียนาก็อันนี้ทำก็อันนี้มันเรี้นอยู่ที่อื่นไม่อยู่ในตัวของเราทั่วไปพอเข้าใจมันจะหยุดทิงกันมันมีทางสคลื่อใจจะเห็นแต่จากชัดเจนทั่วไปตือนใจได้รับความ จ, จายุดห่อจากความยุ่งยนกที่ไม่ต่างต่างตัวเอน ก็พอใจในตัวมันมีทางเส้งสายผูอเกี่ยวไปถ้าไปถามก็จะเปนนนเนน็นอย่างนี้พอมันหมนมันเป็นอย่างนี้มัน้งหมดจิตจิเลยคองจิตจตตงต่างๆหนึ่งป่อยยาเทั้งหมดมากมันก็เป็นอันเดียวคะ่ะหมือคิดมาก เกาะอาศัยในเรื่องของกายเรยพนาจิตทำแต่กรนีไปดื่อิ่มตาอัานตาอยู่มาคุกเขา่าโยกขางกันเหมือนน้ามันตลงนั้นผ่าุงเทใส่กันน้ำมันก็ลอ ย, นนยอยู่ข้างบนน้ำผ่าก็เจิมอยู่ข้างล่างแเสริมกันในจิต อยูขวดเรีวกันก็ดยู่ได้หมายเห็นมันระเบิดลุบเป็นเพื่องคามันมีจิตของท่านผู้บริสุทเป็นยืนอยู่ในโลกว่าเนั้นมานยึหยีดหม้าพื้นหน้า้หนือยงยจของโลกทนเป็นเชื่อในเรื่องของตัวไม่มีวันลวนะไม่มีวันลืมอยู มีอาตัดวิริยาที่จะแสงใสพอใจทั้งทผ่นบริสุทธ์ผู้ที่ตั้งหน้าที่จะเมาสติปัฏฐานทั้งสี่จะมี้าตุในเรือเหวินเด่นชัดเป็นจิงมอย่างนั้นอย่างต่าง หยุดใจตายเสด้สิ่งที่โหลือตามแหคือเรื่องทั้งโลกเรื่องหน่ายสลดตั้งโลกใจทางานผู้คนมีเหวินละลายจิตที่เท่ยงท่าอย่างนี้จะได้เห็ว่าอายเข้าไหร่เพราะเพศของเราตัวของเราเขารับถือว่าเป็นพระ เดือปัณญาอ่าสติอยู่พุเวลาจิตใจติดแผลคิดออกไปทางนอกเป็นก ปฏิบัติไรเชื่อบันเทิดีในศูนย์สมาธิปัญญาภายในตัวถึงในใจประกาศโคษณาความดีที่มีอยู่ในตัวในโคษณาเองได้รับความสุขความสบายเย่ยเย็นภายในส่าวสายเงหลบนงีย ใจอยู่เช่สายแฟ่ไปในทางโลกจะมีโอกาสเวลาเข้ามาเชียวข้องในจิในใจทั้งตนเพราะสติรักษาเพราะปัญญาแม่สอนจิุดยอมจำนนลืมหุ่นจนจินด่างทุกสิ่งทุกอย่างจิตใจจิตข้องทัวพันที่จะมา เพ่มาเขาถึงตนต่อเข้ามานี่มันไมเป็นอย่างนั้นมันเป็เกิดฝนใสอยู่สถานที่ใดก็นาเอาทานให้อยู่สถานที่ใดคุยอาจารย์เองใดหรือว่าทำียึดเสดนจก็ยิ่งไปแต่เราไมรักษาใจเท่าเราอยู่ในศาสนาปัจจุบันทุกวันนี้ด้วยคนใด ถ่ายเลี้งเท่านั้นแต่จิตใจท่านผู่านมันเป็นตาดำ เป็นใจทาบว่าเหนื่อยและแถอนตัวของตัวอะไรยังเป็นตาดำดิแต่ ท, นนที่เจนาอย่างไรใจจึงจะเข้าถึงอาจทำ่ิระพุทธเจ้าสอนก็เลยควร่นนอนใจยืดเล่นแก้ไขจึงที่ชั่วใจตกออกไปจากกายจากใจคล่งตัวนสวนาํสนาเสมอจิตใจเนี่ยถูกเสมะ สักกยูมาอนะีมันจะมีลำเวลาสะอา ยินดีพอใจตัวเป็นตัวเด่น ต, เตัเป็นชาติ เ, เมเอืองหมาเงก็เข้าได้เขยาแต่ใจเขยาได้เจ้คนเปพากันสอนตนอยู่เป็นพยายามแล้วเขี่ยเปนคพนดีต่างหน้าต่างตาที่จะนาตายใจทังคนเขย่รักษาใรดั พระพุทธจรรม อ, อกห้ศีลสมาธิปัญญาท่านมอบให้เป็นสมบัติของกายขงใจทุกคนเราสนใจในสมบัตถถิทีรร่พระพุท้เจากถืออย่าเป็นของมีวิเศษของล้าค่าสัพพายามมนบานานานรรพกาญาใจใจทุกคนให้ดี้ตรงต่ออาจทำ จิตพระพุทธเจ้าทรงแงสอนจึงจะได้ชื่อว่าสุปฏิปันโนอุสุยาะสาวีจิตได้จะเป็นสาวของพระพุทธเจ้าได้พอตายไปจิตใจดำเนินไปเกียวความมีความบริสุทธิ์าิดสองเป็นอย่างนั้นยังจมากกาอาศัยเป็นตาสัต ของตาสผลเป็นตาดํำแบบฟูโกทองก็ไี่ย้ติได้ที่จะได้รับความปลุกความสบายเดี๋ยวร้อนวนวายให้ตัวเองและคนอื่นเพราะความชั่วของตัวแฉะเท้าตัวเองแล้วก็ไปเกี่ยวข้องกับคนใดคนนั้นก็จะทลอยใหเดี๋ยวร้อนเสียหายไปเพราะความปุกปุก ทางกายรายใจใสอุวะนิยติชำระซักข่วจิตใจทั้งตนเดี๋ยิเดียปัญญาเดยสัพาด้วยความเพียรอย่าไปแปล่า่าละเลยยันเวลาแค่ชีวิตความเป็นอยู่ในเป็นของแน่นอนแต่ความาแน่นอนไม่าบว่ามันจะมาถึงตามใดเวลาใดแต่ความดีของเรามีเรื่มากคจะไป คือพบชาติคือเราต่อต้านหน้าเรื่องหมดยุ่งเหยิงปัญหาหมดเพื่หมดชาตแล้วเปลิดตาที่จะมาดูแต่รันยังไม่มีอย่าไปนอนใจตายใจหยุดเดือดแก่ไขบำเพ็ญความดีและเชื่อเลื่อยใจใจจะรับความผ่องใสใจจะรับความสุขขอรับปฏิบัติต่างๆ หเราต่างหน้าต่างตาทำหนุนความใจใจทำหนุความพอใจยินดีเฉลื่อนไสใจที่เราหย่อเย็นหอวับอันใดเราได้ทำนะทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้ตั้งหนุนตัวเองว่าอันนี้ไม่ได้ทำอันนี้เราดึงทำคิดถึงการทําทางาจคิดถึงการ คิดทางวาจาคิดถึงความคิดทางใจได้ระลังรักษาไม่มีทางใดเสียหายใจนั้นสบายเพราะมันไม่มีโทษถ้ถาคิดอันนั้นจบปลยเพียงอันนี้ก็ละเลยตัวคงตัวเองม่ต้อเดือดล้วหยืนยาไม่สบายเพราะคเพิพประโยชน์จากวันคืนที่ผ่านไปไม่มี พเพราะเตลวทำประโยชน์ถ้าเตล่ทาประโยชน์อยู่ในสถานที่ใดก็ตัง้งนาต่างๆจะรักษากายใจทังตนรักษา อ, าา อ, อัตอถามคําสอนทางผู้ใต้ฝ่าฝึกซ้อมพิจารณาอยู่สม่ำเสมอไปความเห็นความคิดความดีความดุจจะเกิดขึ้นให้โดยมีทางสงสัย ถ้าเราทำดีดีผล พ, พอได้จะตปองมีติดตามมาพภเระเชื่อจะปราทะนาเพิ่ดีขนาดไห น, นอย่าไปคิดเลยเราจะได้ผลดีนั้นเป็นเจ้งสนองตัวดอจะพ้เชื่อเท่นั้นอย่าขาดการระวังสังวรระยะเวลาที่ผ่านมา คนก็ปฏิบัติมาหลายปีบางส่วนบางคนก็เพิ่มเข้ามาปฏิบัติใหม่หมายถึงอย่างไรเขาบอสมมติแบบเป็นพระกรรมฐ า, านเป็นเมนกรรมฐานเป็นนักปฏิบัติตลอดเวลาที่ผ่านมาได้ปฏิบัติอย่างไรไหนรู้เห็นอัดทําอย่างไรผมควรรู้ไหมกับที่ทั้งเป็นหลักสมาธนะิ หาใจของเรามือศิหาใจของเราทั้งเวทอยกให้เป็นเศ่ใน่วงแบบหล่เข้าจิน สัเนนตเมือง่ น, น่ะาสาัตว์าบูชาเมน่ะสาตว์นะหาเบียนาเขาจะดูถูกดูพาด้วยไปจะพากันต่างใจเราเท่นั้นคือจะรักษารักษาขนานาไม่ใส่คนอื่นจะรักษาไม่ใด่ทาน่ะจะ็พ่ปฏิบัติได้ ในในี้เขาในโลกเขาจะไปะที่ปฏิบัติบ้บบานในที่ว่าหน้าที่การละการมันเปเป็นหน้าที่ของเราในเหน้าที่ของพระพุทธเจ้าหรือครูอาจารย์ถ้าเราดูหงุดหงดเรากปมาบวชในศาสนาจปเผื่บวชมาล่นเหื่อที่เหลือปัญหาเดือดมาสลาเศาสนาเหงื่อที่หลปัญหา เดนมาบรรเทาภวนามำจิดทำใจให้สงบมีสติแเป็นพร้มเป็นอย่างนั้นทุกท่านก็มีความสุขความเกอธบายธรรมะเห็นอย่างพอใควริเวลินี้